ในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็รู้สึกอ่อนน้อมต่อผู้ที่ทําถูกต้องหรือ ว, ว่าเป็นผู้มีพระคุณสำหรับเราแต่ถ้าว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วแข็งไม่อ่อนไปตามนั้นไม่อ่อนไปตามกิเลสว่างั้นแต่ถ้าเป็นธรรมแล้วตายเป็นตายเดินไปสายนั้น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 เอาขันน้ําไปตักน้ําขึ้นมาใช้ถ้าใช้ไม่หมดให้ให้คว่ำขันอย่าไปค้างน้ําไว้ในขันภิกษสุใดค้างน้ําไว้ในขันปรับอบัตทุกดเพราะเป็นการให้ความลาคาญแก่ผู้อื่นให้คนอื่นเป็นภาระสําหรับตนเองในการชน้ําตัวนั้นจะสะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยพอวินัยละเอียดถึงขนาดนั้นนะ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 พระวินัยทรนบอกกับเราว่าถ้าไม่มีเจตนาไม่รู้ไม่เป็นอบัติเราก็รับบอกว่าเราไม่รู้แต่บัดนี้ทําไมว่าเราเป็นอบัติแสดงว่าพระวินัยทอนพูดสับประพูดโกหกเป็นอบัติปาจิตติเราเป็นอบัติทุกกฎน้อยกว่าแต่พระวินัยทรนพูดโกหกเดี๋ยกว่าเป็นเดี๋ยกว่าไม่เป็นเป็นอบัติปาจิตติหนักกว่าเราอีก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 ท่านอยากจะให้งอนแอกรถของท่านสวยไหมอยากจะให้สวยถ้าจะให้สวยนะเนี่ยเอาหนังหมีเนาะหุ้มงอนรถของท่านเนี่ยจะสวยงามมากดำมืดเลยว่างั้น dialog, เอาหนังหมีหุ้มเลยเอา้าจะหาได้ที่ไหนหนังหมีเอา้าเนี่ยมันนอนอยู่นั่น à. ไปย่องย่องไปขวานสับหัวมาเลยเดี๋ยวนั่นก็นลอกออนหนังมันมาหุ้มงอนรถก็ได้แต่นี้ ช่างงอนรถเออจริงว่าเจากนั้นก็เดินไปหมีพอบอกว่าให้คนตัดไม้น่ะก็สบายอกสบายใจว่าพอได้แก้แค้นแล้วว่าไม้ตกหล่นใส่หัวตัวเองเอเอนอนแบบสบายใจว่านั้นแต่ที่ไหนได้ออช่างคนนั้นก็เดินย่องไปก็ขวานสับหัวหมีเลยเออจากนั้นก็ลอกหนังหมีเออ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 ความแตกแยกสมามัคคีกันกีพายทั้งกลุ่มอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แต่บางคนบางท่านก็ว่าเอา้าทำไมหมีพูดได้อันนี้เราอย่าไปคิดคือเราพูดเอาสาระขึ้นมาเนื้อหาสาระอ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 พร้อมเพียงสมมามัคคีท่านว่าสังฆะสังฆะโสมนาความพร้อมเพียงของสงเกิดสุขนะเนาเราเป็นคราวาสก็เช่นเดียวกันแต่เรามีความพร้อมเพียงสมมามัคคีในหมู่ในคณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวของเราในวงศาคณาญาติของเราครอบครัวของเราวงสาระคณาญาติของเราก็จะได้รับความร่มเย็นผาสุขเพราะมีความพร้อมเพียงสมมามัคคี